ที่นในสมัยนั้นเนี่ยก็มีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอนุมัติสีเป็นผู้ประเสริฐในโลกเป็นนระผู้องค์อาจทรงไครวิเวกเนี่ยนะกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกนัะนะพระองค์นี่ยเป็นพระสัมพุทธเจ้าเข้าไปยังป่าหิมวันนะนะพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกไหมเป็นผู้องค์อาจไครวิเวกเป็นพระพุทธเจ้าก็คือผู้รู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งนั่นแหละพระองค์เป็นผู้เลิศ เป็นมุนีผู้ประกอบด้วยกรุณาเป็นอุดมบุรุรเสด็จเข้าป่าหิมะวันทรงนั่งคูบาลังเราได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีรสมีสว่างจ้าหน้ารื่นรมใจเนี่ยเหมือนดอกบัวเขียวทรงรุ่งเรืองควรบูชาเหมือนกองไฟเราได้เห็นพระโลกกนายกคือนายกของโลกผู้นําโลกกันนะทรงรุ่งโรดดุจ ด, ดวงไฟเหมือนสายฟ้าในอากาศ เช่นกับพยารังมีดอกบานสะพรั่งเพราะอาศัยการได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐเป็นมหาวีระทรงธทรำรที่สุดทุกเป็นมุนีอย่างนี้เนี่ยย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้มันผู้ที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็บ่งได้เลยว่าเป็นผู้ที่จะสามารถทําที่สุดแห่งทุกได้นะอันนี้เห็นด้วยศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะอนของเราถ้ามาเจอคําสอนถ้าประพฤติดีปฏิบัติชอบก็หวังได้ว่าจะทําที่สุดแห่งทุกได้ ท่านเราได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นเทวดาล่วงเทวดาก็ได้ตรวจดูลักษณะว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ใช่ดูลักษณะก่อนนะนะมิฉะนั้นเราจะดูพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระจักสุเนี่นะมีตะมังสะจักสุทิพตะสุสมันตะจักสุพุทธจักสุญาณจักสุก็ตรวจดูพระองค์ผู้มีจักสุก็ได้เห็นจักมีกรรมพันหนึ่งที่พื้นฝ่าพระบาท ครั้นได้เห็นพรลักษณะของพระองค์แล้วก็ตกลงใจในพระตถาคตบอกตรวจดูโดยที่สุดแม่ฝ่าเท้านะสมัยนี้ก็มีแต่ตําราดูฝ่ามือใช่ไหมแต่ว่าดูได้ไม่ทั่วร่างกายนะก็ดูก็ไม่เห็นมีอะไรนะเพรามีกิเลสอ่ะนะดูไปดูมาก็หมกมุ่นในกิเลสซะโดยมากอ่ะนะดูไปดูมาไม่ค่อยจะปฏิบัติเพื่อเบือหนายคลายกําหนัดกิเลสสักเท่าไหร่นะนั้นก็เลยไม่ต้องไปดูให้มเสียเวลาอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเป็นคนสมัยนั้นก็ได้ดูตรวจดูเออนี่พระพุทธเจ้าแน่นอนว่า ครั้งนั้นเราก็จับไม้กวาดกวาดที่นั่นแล้วก็นําเอาดอกไม้แปดอกมาบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดครั้นบูชาพระพุทธเจ้าผู้ข้ามโอเคไม่มีอาสะวะนั้นแล้วก็ทําหนังเสือดาวเนี่ยเฉียงบาข้างหนึ่งนมัสการของพระโลกกนายกพระสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีอาสะวะทรงอยู่ด้วยพยานใดเราจะประกาศพยานนั้นนะถ้าใครอยากมีปัญญานะต้องชมปัญญาของพระพุทธเจ้าให้มากๆ บอกถึงอัทยาศัยของว่าผู้นั้นจะมีปัญญาต่อไปท่านทั้งหลายจงฟังคําเราท่านจะสันเสริญพยานของพระพุทธเจ้านะฟังดูว่าพระองค์เนี่ยมีพยานยังไงพระสยัมภูผู้มีความเจริญมากที่สุดถอนสัตว์โลกนี้แล้วสัตว์เหล่านั้นอาศัยการได้เห็นพระองค์ย่อมข้ามกระแสน้าคือความสงสัยได้ ถ้าเห็นพระพุทธเจ้าละความสงสัยในพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์ละความสงสัยในกรรมและผลของกรรมละความสงสัยในอดีตทั้งหมดนะถ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นพระาฎฎฎาศาสดานะศาสดาก็คือสอนประโยชน์โลกนี้สอนประโยชน์โลกห น, น, น, น้าสอนประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานพระองค์นี้เป็นยอดเป็นธงชยัยเป็นหลักเป็นร่มเงาเป็นที่พึ่งเป็นประทีปสองทางส่องให้รู้ทางนรก ทางเปรตทางอสุรกายทางสัตว์เดรัจฉานทางมนุษย์ทางเทวดาทางพรหมโลกแล้วก็ส่องให้รู้ทางที่สุดแห่งทุกข์นนะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ส่องประทีปให้เห็นธรรมะที่นำออกจากวัตถทุกข์ทั้งมวลพระองค์เนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าของสัตว์ทั้งหลายก็คือเป็นผู้ที่ตรัสรู้ในหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะน้ำในมหาสมุทรอาจประมาณด้วยมาตราตวง แต่ใครๆไม่อาจประมาณพระสัพพัญยุตยานของพระองค์ได้เลยน้ําในมหาสมุทรวัดพื้นที่นะวัดขึ้นบนวัดลงล่างประมาณตารางเนี่ยนะขีดตารางก็สามารถคํานวณได้แล้วใช่ไหมว่าพื้นที่น้ำเนี่ยมีกี่พันล้านลิตรเนี่ยนะก็คํานวณได้แต่ไม่มีใครอาจประมาณสัพพัญยุตยานของพระองค์ได้เลย ดินนี่เอามาช่างดูแล้วอาจประมาณแผ่นดินได้แต่ใครๆไม่อาจจะประมาณพระสัพพัญยุตยานของพระองค์ได้เลยแผ่นดินเนี่ยช่างได้นะแต่ว่าปัญญาของพระพุทธเจ้าช่างไม่ได้กว้างใหญ่ยิ่งกว่าแผ่นดินอีกอากาศนี่อาจจะวัดได้ด้วยเชือกหรือนิ้วมือแต่ใครๆไม่อาจจะประมาณพระสัพพัญยุตยานของพระองค์ได้เลยอากาศเนี่ยยังวัดได้นะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยปัญญาของวัดไม่ได้ พึงประมาณลำน้ำในมหาสมุทรและแผ่นดินทั้งหมดได้แต่จะถือเอาพระพุทธญานมาเป็นประมาณนั้นไม่ควรเกรยะว่าถ้าเราจะพูดถึงที่ที่จบที่สุดเนี่ยนะแผ่นดินแผ่นน้ายังสุดได้แต่พระองค์ไม่มีอ่ะข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักรสุขจิตของสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกย่อมเป็นไปสัตว์เหล่านี้เข้าไปในข่ายคือพระญาณของพระองค์ ก็คือในสัรวสัตว์ทั้งหมดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดมาสู่ขายพยานของพระองค์หมดแล้วของเราเนี่ยนะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไม่เห็นเราเราไม่เห็นพระพุทธเจ้าพอได้เนี่นะพระองค์เห็นเราหมดอ่ะนะว่าเราจะไปยังไงจะเจริญจะเสื่อมจะตกแก่ต่ำจะขึ้นสวรรค์จะตกนรกจะได้ดีจะบรรลุไม่บรรลุเนี่ยพระองค์เห็นหมดแล้วอ่ะแต่เราเนี่ยังแต่เราเองเรายังไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหมของเราเห็นอะไรบ้างในกายของเราก็เห็นผมขนเล็บฟันหนังอ่ะนะลึกกว่านั้นก็ ไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหมเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นก็ไม่ค่อยเห็นตับตไตไส้ปอดก็ไม่ค่อยเห็นนะไม่ใช่ไม่ค่อยเห็นนั่นไม่เห็นเลยแหละถ้าไม่ไปเอ็กซเรย์เนี่นยนะลึกไปกว่านั้นจิตใจอีกก็ไม่ได้เอามาทําปริญญาอีกเพราะนั้นภายในของเราเราก็ไม่ค่อยอยาเห็นแต่ว่าพระองค์เนี่ยศาสตร์สรุปรู้หมดรู้อดีตของเราไปยังไงอนาคตจะไปยังไงปัจจุบันประกอบไปด้วยอะไรเนี่ยนะมีกิเลสกี่ตับกี่พุงรู้หมดอ่ะพระองค์เนี่ยมีพยานเนี่ยตรวจสอบสรรพสัตว์เนี่ยนะสัตว์ทั้งหมดนี่อยู่ในข่าย ไม่เกินะที่ว่าที่พระ อ, องค์ไม่รู้ไม่มีพระ อ, องค์นทรงบรรลุโพธิญาณอันสูงสุดสิ้นเชิงด้วยพระญาณใดพระสัพพัญยูก็ทรงย่ำยีอันเดียรถีด้วยพระญาณ น, นั้นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุอริยมรรคญาณไงคืออรหัตตมรรคแล้วก็สัพพัญยุตยานเกิดอันอาศัยสัพพัญยูนั้นแหะกย็ย่มยีเดียรถีคำว่าย่ำยีก็ไม่ได้ไปฆ่าไปแกงเขาหรอก คือไปประกาศลัทธิเขาอะนะชี้แจงว่าลัทธิของคุณไม่มีสาระมีประโยชน์อะไรรอกเหมือนกันท่านสุรุจิดาบทกล่าวชมเชยด้วยคถาเหล่านี้แล้วก็ปูราดแผ่นดินเนี่ยแล้วก็นั่งอยู่นะก็กล่าวยกย่องชมเชยพระพุทธเจ้านะก็คิดดูนะเอาดินเอาน้ำเอาอากาศเอาทุกอย่างอะนะที่สูงที่สุดใหญ่ที่สุดกว้างขวางที่สุดมาวัดในสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ถึงเศษเสี้ยวในพยานของพระพุทธเจ้าเลยเหมือนกัน เมื่อท่านได้กล่าวไว้ว่าขุนเขาสูงสุดยั ง, ยงลงในห่วงมหานบแปดหมื่นสี่พันยอขุนเขาสิเนรุทั้งด้านยาวและด้านกว้างสูงสุดเพียงนั้นทำให้ละเอียดไว้ด้วยประเภทนับว่าแสนโกฎเมื่อตั้งเครื่องหมายไว้ก็พึงถึงความสิ้นไปแต่ใครๆไม่อาจประมาณสัพพัญยุตยานของพระองค์ได้ เรว่าภูเขายังวัดได้ใช่ไหมขึ้นบนเท่าไรลงล่างเท่าไหรคํานวณโดยกว้างโดยยาวโดยลึกคํานวณแล้วมาชั่งน้ําหนักได้อะแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกไม่มีใครชั่งได้หรอกผู้ใดพึงเอาข่ายเอาตะข่ายเล็กๆ ล, ล, ล้อมน้ําไว้สัตว์น้ําเนี่ยบางเหล่าก็พึงเข้าไปในข่ายของผู้นั้นฆ่าแต่พระมหาวีระเดรถีผู้มีกิเลสหนาะบางพวกก็เช่นนั้นเล่นไปในทิฏฐิอันผิดทิฏฐิหกสิบสองเลยนะ หลงอยู่ด้วยความรูปคลํำเดียรถีเหล่านั้นเข้าไปในข่ายของพระองค์เนี่ยด้วยพระยานอันบริสุทธิ์อันแสดงว่าไม่มีอะไรห้ามได้ของพระองค์ไม่ล่วงพระยานของพระองค์ไปได้เพรา ะ, ะนั้นลทัทธิเดียรถีจะมีกี่ลทัทธิมีกี่ร้อยมีกี่ชนิดในความประพฤตินะไม่ว่าจะทิฐิเรื่องอดีตทิฐิเรื่องอนาคตทิฐิเรื่องปัจจุบันเนี่ยพระองค์ได้รอบรู้ในในทิฐิของเขาเหล่านั้นทั้งหมด จนถึงเห็นความไม่มีสาระคือแก่นสารไม่มีสีละสาระเป็นต้นในทิฏฐิเหล่านั้นนะะอันพระองค์เนี่ยล่วงหมดอ่ะมีปัญญาล่วงเลยเหล่าทิฏฐิเหล่านั้นทั้งหมดก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอนุมัตสีผู้มียศใหญ่ทรงชำนากิเลสเสด็จออกจากสมาธิตรวจดูพระคราสาวกพระนามวณิสภะของพระมูนีพระนามว่าอนมัตสีทราบความนําเล็จของพระพุทธเจ้าแล้ว อันพระขีณาศพแสนหนึ่งผู้มีจิตสงบระงับมั่นคงบริสุทธิ์สะอาดได้อภินญาหกคงที่แวดล้อมแล้วก็เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้โลกก น, นายกพระคราสาวกพร้อมทั้งสิทธิทั้งหลายก็เข้ามากันท่านเหล่านั้นอยู่บนอากาศได้กระทําประทักษิณพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ลงมาประนมอัญเชลีสิทธิของท่านเหล่านั้นเหาะมาใช่ไหมเหาะมาเห็นพระผู้เจ้ายกมือไหว้แล้วก็ลงไปกราบเนี่ยนะ นมัส ก, การอยู่ในสำนักพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพนามว่าอนมัตสีเชษฐบุรุษคือผู้เจริญที่สุดในโลกเป็นนระผู้องอาจทรงชำนากิเลชประทับนั่งท่ามกลางพิกสุสงทรงเย้ม น, นะพระพิสุนามว่าวรุณอุปถาของพระาศาสดาพนามว่าอนมัตสีห่มผ้าชวีงบ่าข้างหนึ่งแล้วก็ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้โลกกนายกว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าอะไรเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแย้มเนออันพระพุทธเจ้าย่อมไม่ทรงแย้มเพราะไม่มีเหตุเนี่ยนะก็ถามว่าที่พระองค์ยิ้มเนี่ยเพราะอะไรจึงยิ้มเหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าโนมะทะัทสีเชษฐบุรุษคือผู้เจริญที่สุดในโลกเป็นนราองอาจประทับนั่งในถ้ำกลางภิกษุแล้วก็ตัดคาถานี้ว่า ผู้ใดบูชาเราด้วยดอกไม้และชมชมเชยยานของเราเราจะประกาศผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวมันใครที่มันสวดมนต์สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านะก็ปวรน่าคิดน ะ, ะอั น, นิสงเนี่ยนะอันนิสง์ของการสวดการชมเชยการยกย่องคุณของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเนี่ยนะผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะมีพระยานกว้างขวางยิ่งกว่าอากาศ มีพยานกว้างขวางยิ่งกว่าแผ่นดินมีพยานกว้างขวางยิ่งกว่าน้ํายิ่งกว่าหมหาสมุทรก็ท้าชื่นชมเนี่ยนะก็องค์ก็จะประกาศอ น, นิสง์ว่าเทวดาปุทั้งปวงพร้อมทั้งมนุษย์สาบพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแล้วประสงค์จะฟังพระสัจธรรมจึงพากันเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าหมู่ทวยเทพผู้มีฤทธิ์มากในเหมือนโลกธาตุประสงค์จะฟังพระสัจธรรมก็พากันเข้ามาเฝ้าพระสัมพุทธเจ้า จตุรงคเสนาคือพลช่างพลมาพลรถพลเดินเท้าจักแวดล้อมผู้นี้เป็นนิดนีเป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าก็คือจะบริบูรณ์ด้วยกองทัพว่างั้นดนตรีหกหมื่นกลองที่ประดับสวยงามจักบำรุงผู้นี้เป็นนิดนีเป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า หญิงสาวล้วนแต่สาวๆหกหมื่นประดับประดาสวยงามมีเครื่องผ้าเครื่องอาภรณ์อันวิจิตสวมด้วยแก้วมณีกุลทนมีหน้าเแลยิ้มแย้มต่โวกเพื่องไพเอวกลมจากห้อมล้อมผู้นี้นี่เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าท่านผู้นี้จะรื่นรมอยู่ในเทวโลกตลอดแสนกลับจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในแผ่นดินเนี่ยพันครั้งจะเป็นจอมเทวดาสวยราชสมบัติอยู่ในเทวโลกพันครั้งจะเป็นพระเจ้า ประเทศสราดอันไพบูุ์นับไม่ถ้วนครั้นถึงที่พบที่สุดจากถึงความเป็นมนุษย์คือชาติสุดท้ายเนี่ยนะจากคลอดจากคันแห่งนางพรามมณีชื่อว่าสารีเรียกว่าเล่ารวบรัฐไปเลยนะอีกหนึ่งอสงไขยกำไรแสนกลับข้างหน้านะพรามคนนี้เขาจะเกิดในลูกของนางสารีนระนี้จะปรากฏชื่อตามโคตรและตามมารดาโดยชื่อว่าสารีบุตรจกมีปัญญาคมกล้า จะเป็นผู้ไม่มีกังวลแปลว่าไม่กังวลก็คือจะทิ้งทรัพย์ประมาณแ80ดสิบโกดออกบวชนะะนะร่ารวยมากนะแต่ว่าไม่กังวลนะําไม่อะไรเอาวนในทรัพย์เหล่านั้นเลยเที่ยวสแสวงหาสันติทั่วแผ่นดินทำไมนั้นนะ่ะท่า น, ท, านท่านเที่ยวไปทั่วเมืองอินเดียหมดเลยนะสแสวงหาผ้าละหันเนี่ยนะสแสวงหาข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นผ้าละหัน์เพราะว่าผู้ที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ใช่พระประจัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ย ไม่สามารถบรรลุโดยลำพังของตนเองเพราะฉะนั้นก็ต้องเที่ยวฟังธรรมก่อนนะกันมันก็เลยเที่ยวสแสวงหานิพพานเนี่ยทั่วแผ่นดินคือสแสวงหาอาจารย์ให้สอนเที่ยวไปทั่วไปหมดอะ่ะสกุลโกกะสมพบในกับอันประมาณไม่ได้แต่กับนี้ภาษาสดาพระนามวโคดมโดยโคดจะมีแล้วในโลกผู้นี้จะเป็นโอรสทายาทในธรรมะของภาษาสดา พระองค์นั้นคือท่านจะเป็นธรรมทายาทนะนะเป็นทายาทในมรรคสีพ้นสีนิพานนะ่ะท่านนั้นเป็นผู้อันธรรมะเนรมิตรแล้วจักเป็นอักระสาวกมีนามว่าสารีบุตรแม่น้ำคงคาชื่อว่าภากถีนี้ไหลมาแต่ประเทศหิมาวันย่อมไหลถึงมาหาสมุทรยังห่วงน้ำใหญ่ให้เต็มชันใด นะพูถึงแม่น้าที่ไหลนะถ้าเป็นประเทศไทยเราก็เป็นแม่น้ำโขง่ไม่ไหลมางัเมืองจีนโ่นน่ะไหลลงมาจนถึงน่นน่ะตกทะเลนี่นะหรือแม่น้ำเจ้าพญาแม่นม้ำทั้งหลายที่ใหญ่ๆหญ่แม่น้ำเหล่านั้นเนี่ยก็ทำให้สมุทรสาครเนี่ยเต็มเปี่ยมใช่มภาษารีบทนี้ก็ฉันนั้นเป็นผู้อาถรรพ้วกล้าในเวทสามถึงที่สุดแห่งปัญญาบารมีจากยังสัตว์ทั้งหลายให้อิ่มหนาสาราญ คือท่านพอถึงบรรลุสาวกบารมีญาณจะแสดงธรรมสัตว์ผู้ฝ่ายปัญญาเนี่ยจะอินจากคําสอนของท่านกี่ดูนะท่านแสดงจุลนิเทศมหานิเทศคำภีปฏิสัมพิธามักแล้วก็พสูตรตั้งร้อยสูตรที่ท่านแสดงอื่นๆอีกเช่นสัมปสาธนียสูตรทศตรัสสูตรสังคีติสูตรสูตรใหญ่ๆมัชฌิมนิกายก็สัมมาทิฏฐิสูตรอนังคณะสูตรเป็นต้นซึ่งเป็นสูตรที่ยิ่งใหญ่สําคัญสำคัญทั้งนั้นเลยนะ เพราะฉะนั้นผู้ที่ฝักใฝ่ในเรื่องสติปัญญาฟังธรรมของท่านจะอิ่มหนำสําราญส่วนพวกที่ไม่มีปัญญาก็เหมือนกับกินอาหารดีๆแล้วก็ย่อยไม่ค่อยได้อย่างนั้นแหละตั้งแต่ภูเขาหิมะวันจนถึงมหาสมุทรในระหว่างนี้จะนับทรายเนี่ยนับไม่ท่วนการนับทรายนั้นอ่ะก็อาจจะนับได้โดยไม่เหลือฉันใดคํานวณได้ว่าเม็ดทรายตั้งแต่ภูเขาหิมะวันไหลไปจนถึงทะเลเนี่ยนะทรายปริมาณเท่าไหร่เนี่ยพอจะนับได้ แต่ที่สุดแห่งปัญญาของพระส า, ศาศรีบุตรจะไม่มีฉันนั้นเหมือนกันไม่มีใครนับปัญญาของท่านได้ว่าปัญญาของท่านจะกว้างขวา ง, ง, งขนาดไหนเมื่อตั้งคะแนน name, ไวน้ในนะทายในแม่น้ํำคงคาเพิ่งสิ้นไปฉันใดแต่ที่สุดแห่งปัญญาของพระส า, ศ า, ศาศรีบุตรจะไม่เป็นฉันนั้นทายยังนับได้ปัญญาท่านนับไม่ได้ะคลื่นในมหาสมุทรจะ น, นับก็นับไม่ท่วนฉันใดที่สุดแห่งปัญญาของพระส า, ศ า, ศ า, ศาศรีบุตรจะไม่มีฉันนั้นเหมือนกัน เห็นคลื่นในมหาสมุทรที่มันคลื่นคลื่นที่เรียกว่านับไม่หมดปัญญาภาษาริบุตรก็มากอย่างนั้นแหละภาษาริบุตรยังพระสัมพุทธเจ้าผู้สักยคดมสูงสุดให้โปรดปรานแล้วจักได้เป็นอักราสาวกถึงที่สุดแห่งปัญญาจักยังธรรมจักที่พระผู้มีพระภาคสักยบุตรให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามโดยชอบ จากอย่างมเมล็ดฝนคือธรรมะให้ตกลงเนี่ยนะอันภาษาริบุตรไปที่ไหนท่านก็แสดงธรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับฝนฝนอมะตะเนี่ยตกลงมาราดรดใจของพุทธบริษัทท่านแสดงธรรมเนี่ยสัตว์มันลุมากมายนะภาษาริบุตรแสดงอย่างในสม จ, จิตตวักเนี่ยท่านแสดงบรรลุหาประมาณไม่ได้อะช่วยตระกูลไม่รู้กี่ตระกูลต่อกี่ตระกูลลูกศิษย์ลูกหาสั่งสอนพุทธบริษัทเนี่ยคือทํางานได้รองพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองนะคิดดูว่าท่านจะกว้างขวางขนาดไหน อันท่านไปที่ไหนท่านก็ยังมเมล็ดฝนคือธรรมะคือการประกาศอริยสัจให้ตกลงไม่มีที่สิ้นสุดพระโคโดมผู้สากยะสูงสุดทราบความข้อนั้นทั้งมวลแล้วก็ประทับนั่งในถ้ำกลางภิกสุสงทรงตั้งไว้ในตาแหน่งอัครส า, าวกแต่งไว้นอัคราสาวกผู้เลิศโอ้กุศลกรรมอันเราทำไว้แล้วอันนี้คือท่านมาอุทานเองนะว่า เราได้ทำการบูชาพระศาสดาพระนามว่าอโนมัทถศีด้วยดอกไม้แล้วได้ถึงที่สุดในที่ทุกแห่งบูชาด้วยดอกไม้อย่าถือว่าเป็นของเล็กของน้อยนะเราเอาดอกไม้มาทำพุทธบูชากันอย่าถือว่าเล็กน้อยนะกรรมที่เราทำไว้แล้วประมาณไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงผลแก่เราในที่นี้เราเผากิเลสทั้งหลายแล้วเปรียบเหมือนกาลังลูกศร อ, อันพ้นแล้วด้วยดี ท่านพ้นจากกิเลสเหมือนลูกปืนที่ยิงไปเนี่ยนะไม่ได้ติดข้องอยู่ในปืนเลยลูกปืนที่ยิงไปชั้นใดเนี่ยนะท่านก็พ้นจากกิเลสอย่างนั้นแหละเรานี้สแสวงหาบทอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งคือพระนิพพานดับสนิทไม่หวั่นไหวค้นหาลัทธิทั้งปวงอยู่ท่องเที่ยวไปในภพเที่ยวแสวงหาพระนิพพานและข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานเนี่ยโอ้ยเวียนตายเวียนเกิดภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งเนี่ยนะ ในธาตุหลังๆท่านบวชติดกันเนี่ยอย่างน้อยห้าร้อยชาติอะ่ะบวชก็คือสแสวงหาพระนิพพานนะชาติที่เป็นพระเวสสันดรของพระโพธิสัตว์เราอะท่านก็ยังบวชเป็นฤาษีอยู่ใช่ไหมอัจุตะฤาษีอ่ออะที่ชี้ทางให้ชูโชคอะนะว่าสํานักพระเวสสันดร อ, อยู่ทางนู้นอะอันเนี้ยท่านบวชติดกันห้าร้อยชาติอะ่ะคิดดูนะเป็นนักบวชจริงๆเลยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านบวชก็สแสวงหาพระนิพพานเนี่ยอสังคตาธาตุธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ธาตุที่สงบประงับจากวัตตะทั้งปวงเนี่ยค้นหาไปอย่างนั้นแหละอุปมาเหมือนว่าคนไข้พึงแสวงหาโอสถต้องสั่งสมทรัพย์ไว้ทุกอย่างเพื่อจะพ้นจากความป่วยไข่ฉันใดพวกเราทั้งหลายใช่ไหมเก็บเงินเก็บทองไว้เพื่อบริจาคให้หมอนี่แหละเพื่อคิดว่าหมอจะช่วยบำบัดทุกทําความสุขให้เกิดขึ้นเออคนก็คิดกันอย่างนี้กันซะส่วนใหญ่ใช่ไหมเนี่ยไว้ป่วยไข้ก็ได้มีจ่ายมีนี่แหละ มันก็สะสมซั์กันเพื่อที่จะแสวงหายาซื้อยามากินมาใช้เราก็ฉันั้นแสวงหาบทอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งดับสนิทไม่หวั่นไหวคือพะนิพลได้บวชเป็นฤาษีห้าร้อยครั้งไม่ขั้นเลยบวตติดติดติติดทุกชาติที่เกิดเป็นมนุษย์อ่ะห้าร้อยชาติน่ะนะของมาเพิ่งชาติเดียวเองไม่ได้กี่ชาติเลยมันก็ต้องแสดงว่าต้องบวตอีกหลายชาติอนะ เราเนี่ยทรงชดาเลี้ยงชีวิตด้วยหาบคอนนุ่งหม่มหนังเสือถึงที่สุดอภิญยาแล้วก็ไปสู่พรหมโลกทุกชาติเนี่ยไปพรหมหมดคิดดูวบวชติดกันห้าร้อยชาติทุกชาติไปพรหมหมดอ่ะไม่จะขนาดไหนความบริสุทธิ์ในลัทธิภายนอกไม่มีเวนศาสนาของพระพุทธเจ้า สัตผู้มีปัญญาทั้งปวงย่อมบริสุทธิ์ได้ในาศาสนาของพระชินเจ้าไอความที่ท่านบวชมามากบวชมามากรู้จักรัที่สารพัดรัฐทีท่านรู้ว่าไม่มีข้อปฏิบัติอื่นในาศาสนาอื่นหรอกที่จะสอนให้บรรลุพระนิพพานคือบทอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่นำเรานี้ผู้ไขรประโยชน์ไปในลัที่ภายนอกน ก, ก็เลยไม่ไปสนใจลัที่ภายนอกมากนักนะนะ เราสแสวงหาบทอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งอยู่เที่ยวไปสู่ลัทธิอันผิดบุรุษต้องการแก่นไม้เพื่งตัดต้นกล้วยแล้วก็พาออกก็ไม่เพ่งได้แก่นไม้ในต้นกล้วยนั้นอ่ะเพราะมันว่างจากแก่นฉันใดคนในโลกผู้เป็นเดียร์ีเป็นอันมากมีทิฏฐิต่างกันมีลัทธิต่างกันก็ฉันนั้นแหละคนเหล่านั้นอ่ะเป็นผู้ว่างเปล่าจากอสังคตะบทไม่มีใครแทงตลอดนี่ผ่านหรอกในลัทธิภายนอก เหมือนต้นกล้วยว่างเปล่าจากแก่นฉะนั้นครั้นเมื่อถึงพบที่สุดแล้วเราได้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพราหม์เราละทิ้งพวกคสมบัติเป็นอันมากออกบวชเป็นบนรรปชิตข้าพระองค์อยู่ในสำนักพราหมณ์นามว่าสันชัยนะออกบวชก็มาในสำนักมิจฉาทิถินะเพราะว่าสมัยนั้นก็ไม่ได้มีพุทธศาสนาอะไรดันก็บวชเป็นบนรรปชิตในสำนักอาจารย์สันชัยซึ่งเป็นผู้เล่าเรียนทรงจำมนรู้จบไตรเพศ ข้าแต่พระมหาวีระพราหมณ์ชิอวอศชิสาวกพระองค์หาผู้เสมอได้ยากมีเดชรุ่งเรืองเที่ยวบินธบาตอยู่ในการนั้นข้าพระองค์ได้เห็นท่านผู้มีปัญญาเป็นมุนีมีจิตตั้งมั่นในความเป็นมุนีมีจิตสงบระงับเป็นมหานาคแย้มบานเหมือนดอกบัวครั้นข้าพระองค์เห็นท่านผู้มีอินทรีย์อันฝึกแล้วมีใจบริสุทธิ์องอาจมีความเพียรจึงเกิดความคิดขึ้นว่า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 ข้าพระองค์ได้ติดตามไปข้างหลังของท่านซึ่งกําลังเที่ยวบินธบาทรอคอยโอกาสอยู่เพื่อจะสอบถามอมะตะบทข้าพระองค์เข้าไปหาท่านถึงที่พักในระหว่างถนนก็ได้ถามว่าข้าแต่ท่านผู้นิรุตุกมีความเพียรท่านมีโทษอย่างไรท่านเป็นสิทธิ์ของใครท่านราสชชีอันข้าพระองค์ถามแล้วไม่ขรนครามดังพยาไกลสอนราชสี พยากรณ์ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก น, นะนอีท่ตถ า, าคตโตโลเกเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระตถ า, าคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกฉันเป็นสิทธิ์ของพระองค์คือเป็นสิทธิ์พระพุทธเจ้าอนะท่านผู้มีความเพียรใหญ่ผู้เกิดตามมียศมากาศาสนธรรมแห่งพระพุทธเจ้าของท่านเนี่ยเป็นเช่นไรขอได้โปรดบอกแก่ข้าพเจ้าเถิดภาษาริบทก็ถามมา น, นะว่าลัทธิของท่านเนี่ยเป็นยังไงท่าน พระอัศเชิที่ข้าพระองค์ถามแล้วท่านก็กล่าวถึงบทอันลึกซึ้งละเอียดทุกอย่างเป็นเครื่องฆ่าลูกศรคือตันหาเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งมวลท่านแสดงว่าธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดคือทุกขาริยสัตว์มีสมุทัยเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นคือตรัสถึงสมุทัยนะสมุทัยสัตว์ของธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นคือนิโรธสัตว์ เพราะฉะนั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ก็คือตรัสถึงทุก์ตรัสถึงสมุ ท, ทยัยตรัสถึงนิโรธด้วยข้อปฏิบัติคืออริยมรรคนั่นแหละเมื่อท่านพระสชชิกแก้ปัญหาแล้วข้าพระองค์ได้บรรลุผลที่หนึ่งคือโสดาปิตผลเป็นผู้ปราศจากทุรีปราศจากมนทินเพราะได้ฟังคาสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพระองค์ได้ฟังคําของท่านมุนีได้เห็นธรรมะอันสูงสุดจึงอย่างลงสู่พระสัจธรรมได้กล่าวคาถานี้แล้วว่าธรรมะนี่แลเหมือนบทอันเป็นสภาพอันเห็นประจักษ์ไม่มีความโศกข้าพระองค์ไม่ได้เห็นล่วงเลยไปแล้วหลายหมื่นกับสแสวงหาอาสังคตาท่าสแสวงหาพระนิพพานสแสวงหาอย่างนี้หลายหมื่นกับแล้วว่ากันข้าพระองค์นี่สแสวงหาธรรมอยู่ได้เที่ยวไปในลัตที่ที่ผิด ประโยชน์นั้นข้าพระองค์ได้บรรลุแล้วไม่ใช่การที่เราจะประมาทข้าพระองค์นี้อันท่านท้าสัชิให้ยินดีแล้วบรรลุบทอันไม่มีความวันไวสแสวงหาสหายอยู่ก็เลยเข้าไปยังอาสมสหายเห็นข้าพระองค์แต่ที่ไกลอันข้าพระองค์ให้ศึกษาแล้วถึงพร้อมแล้วด้วยอิริยาบถนะสหายก็คือพระโมคคัลลานะนะท่านก็กล่าวคานี้ว่าพระโมคคัลลานะก็ถามว่า ท่านผู้มีหน้าตาอันผ่องใสย่ยอมจะเห็นความเป็นมุนีเป็นแน่คือเป็นผู้เห็นธรรมะให้ถึงความเป็นมุนีคือโมนายธรรมท่านได้บรรลุอมตะบทอันดับสนิทไม่เคลื่อนแล้วแหรื อ, อ น, นะท่านบรรลุนิพพานะ้วใช่ไหมท่านผู้มีรูปงามราวกับว่า ม, มีความไม่หวั่นไหวอันได้ทำแล้วมาแล้วฝึกแล้วในอุบายอันฝึกแล้วเป็นพรามผู้สงบระงับแล้วหรือ รเราได้บรรลุอมตะธรรมเป็นเครื่องบรรเทาลูกศรคือความโศกแล้วแม้ท่านก็จงบรรลุอมตะบทนั้นน่ะมาเราไปในสำนักพระพุทธเจ้ากันเถิดเพีนั้นก็แสดงธรรมให้พระโมกคลานะได้ฟังก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเหมือนกันสหายผู้อันค่าพระองค์ให้ศึกษาแล้วก็รับคำจูงมือกันเข้าไปยังในสำนักของพระองค์ผู้สากโยรส แม้ข้าพระองค์ทั้งสองก็จักบวชในสำนักของพระองค์จักขออาศัยคำสอนของพระองค์เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ท่านโกลิตะเป็นผู้ประเสริฐด้วยฤทธิ์ข้าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐแห่งตัญญาเราทั้งสองจักร่วมกันทำาศาสนาให้งามท่านทั้งสองนี้ก็เป็นผู้ที่ทำพระพุทธศาสนาคือาศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บริสุทธิ์ทำให้งดงามก็ เราก็ได้เห็นประจักษ์ในผลงานของพระอัครสาวกทั้งสองแล้วเนาะว่าท่านนี้เป็นผู้ที่ทำพระศาสนาให้งดงามขนาด